มันมีกิเลสอยู่มากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท่อมหาสมุทรแต่ว่าสามารถนับเม็ดหินเม็ดทรายในท่อมหาสมุทรได้เดี๋ยวเนี่ยถามมานับยังไงค่ะนับยังไงคะนับดินนับธาตนับเม็ดดินลงเอกภพเทวีธาตุคือหนึ่งดินนับน้ําลงมันจะตกในที่ไหนก็ตามเอกะอโปธาตุคือหนึ่งน้ำนับขวายทั้งกระโหน นับลมลงมาเอกะวายโยธาจะพัดอยู่ที่ไหนก็ตามหนึ่งลมไฟก็เหมือนกันทีนี้ภาษาเรีบุตรท่านนับเลขหนี้มัทรายได้ท่านก็ต้องนับอย่างนั้นถ้าหนึ่งสองสามเนคุณงูจะไปเป็นนั่งกรรมการฟังหรือกีอ่วันมันจึงจะหมดเข้าใจหวัวเราะทีนี้ข้าใจแล้ว ถ้าหน no e no e right. ึ่งสองสามทีเอาคุณหนูนั่งเราเป็นสารีบุตรเราจะนับเม่ทีเม่ชายให้คุณหนูฟังคุณหนูจะนั่งกี่วันมันจึงจะจบเนี่ยมันนับฝ่ายสังกหโหลฝ่ายสองข้อเกียรติฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าสังกหโผอ่ะสังกหโผสังกหโผเราสอาะ้อลงอ่ะสังกหโผเราไม่สองเคอแปดหมื่นชีมาธรรมมาขันนี่เราไม่สงองข้อสังกหโผเราสองข้อลงสองข้อลงเป็นสามบ้างเป็นสองบ้างเป็นห้าบ้างเป็นเจ็บ้าง เป็น5คือยังไงขันห้าเป็น2คือยังไงคือยังไงกายกับใจเป็น1คือยังไงเอกจิตเอกระทำนั่นเอกจิตเอกระทำอยู่ที่ไหนเอกสังขารก็ย่นลงมาที่นั่นสังขารทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกะสังขารในปัจจุบันทุกทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกระทุกในปัจจุบันถ้าอย่างนั้นภาวนามันก็สงสัยกายออื เฉพาโลกจนลงมาเอากโลกในปัจจุบันถ้าอย่างนั้นมันก็สงสัยโลกตายต้องในดำบินบินบนไปเที่ยวดูโลกเถอพอ น, นเห็น อ, อนิจจังขณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วโลกเต็มไปด้วย อ, อนิจจังเห็นความตายขนาะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วโลกเต็มไปด้วยความตายถ้ามาอย่างนั้นพวกอมตะต้องห่อเหินเดิอนอากาศไปนั่งอยู่ร่มโพอันเดียวตัะโลุแล้วนั่นไม่ได้หักไม่ได้ห่อเหินเดินอากาศไปที่ไหนเลย นักภาวนาต้องภาวนาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับปัญหาของตนปัญหาของตนก็ปสอดแทรกตนทำให้ตนสงสัยเสมอตะพึดตะพือนเข้าใจไหมทีนี้นักยิ่มเลย <laughs> ไม่ใช่วสมาธิหัวโตสมาธิหัวโอหมดกำลังกาออกมาท่านะสับปะงกเลย นี่เรวอยู่ิอะไรคะจะไปผูกตอเลขนะแค่สุภาพเราสวยสวยตายอะไรบีคุณ 2.454 ีให้คุณหนูคุณหารเอาอก2ันสี่ีคุณ 2.454 ถ้าจะบอกตรงๆไม่ชวนคิดเสียวสมองมันจะง่วง ะเออถูกแล้วที่จอแล้วที่นี่อะไรอีกที่นี่จะเดินทางไปเดียว น, น, นะนี่อ่ะปอะเป็ดสุกเป็ดสุกเนาะท่านนายอำเภอทำไมถึงไม่มาท่านไปราชการที่เอรบเออี้รถก็เดเออดีดเป็ดชุกเป็ดสุกเอ อะไรอีกทีนี่ที่ได้อะ ท, ที่ที่บอกว่าให้พิจารณาอยู่ในปัจจุบันนี่ลม <c oughs> กำลังหายใจเข้ายองไม่กลับออกก็ไม่ต้องหมายแต่ความชํมนานาญก็ต้องเห็นจริงลมหายใจออกยังไม่กลับเข้าก็ไม่ต้องหมายนีย่เรียวกว่าปัจจุบันนันทโยธรรมา พุทโธ ท, ที่กำลังบริกรรมพุทโธอยู่พุทโธ ท, ที่ยังมีคนว่าก็ไม่ต้องหมายที่ว่ามาแล้วก็ไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์ต้องพุทโธอยู่ในปัจจุบันวมหายใจเข้ายังไม่ออกก็ไม่ต้องหมายวมหายจใจออกยังไม่ทำเข้าก็ไม่ต้องหมายต้องเห็นในปัจจุบันในเลื่อยไปแต่ว่าความชำนาญมันเห็นเองเห็นเองมันเข้าใจแล้วหรืยอยัง เขาถามพระบรมศาสดาบางอย่างพราบรมศาสดาตอบอะไรตอบกระทันห the ันพระบรมศาสดาอะไรไมก่งหรือคนนั่นเป็นคนช่างทํารถทีนี้พระบรมศาสดาพขบอกว่านี่อะไรนี่ดุมของมันครับนี่อะไรกมของมันครับหรืออะไรจีของมันครับที่ของมันครับ คุณได้ท่องไว้หรือไม่ได้ท่องท่อเหตุอดไม่ได้ท่องไว้เพรเหตุใดเพราะชนานาญกถาคก็เหมือนกันพราะชำนาญแล้วถูกไหมที่อะไรอีกคั<ม>เกเพิด้ อ, อคอรครับ <c oughs> เวลาเราจะตรวจวงหลังจากวแล้วจะมีพักองท่านคุณลุงเทวดาครับ เราเรียนถามหลวงปู่ว่าเทวดามีจริงไหมแล้วก็ามารวมในจิตริตเรื่อ ง, ง, งอสุขภาพกันรึเปว่าเราคือเทวด า, า, า, า, า, า, าเป็นคนประเทใดบุตไปจานที่เป็นท่านเป็นเทวดาก็เปได้ เทวดาอื่นก็สามารถมีถ้ามนุษย์ไม่สามารถเึ็นเทวดาได้อื่นก็ไม่มีข้าใจหสินี่ระมาณก็ว่าตอที่พระก็โศเรียกท่านมีเทวดาเทวดามีก็มาจริงๆมนกันถ้าว่าในกองบุญนั้นมีแต่คนชี้เล่าท่านก็ไม่มาก็ไม่มาไม่มาวนี้เฉย เทวดาวมาดันมากินเหล้าด้วย ม, มาแล้วพอเหื อ, อเห็นเล้วก็ไปแล้วพวกบ้ามันเนียกเรามาอะไรแล้ว <laughs> ผ <laughs> ูครับได้ยินว่าพระธุดงเวลาไปอยู่ในป่าแล้วบินดาบา มีเทวดามาใส่บิดาจริงไหมครับบางแห่งก็จริงบางแห่งก็เสริมเอาเทวดาสำหรับหลวงปู่นั่นผู้ที่ใจสูงเขามาให้ทานก็เรียกว่าเทวดาสำหรับหลวงปู่ไม่ได้ต้องพูดไกลคนที่ใจสูงจึงให้ทานได้เพรากเเรียกว่าเทวดาเทวดาโดยสมมุติเทียบตามวิสุทธิเทพ คือพระลังหันสมมุตติเทพคือบิดามารดาพระบรมมหาราชาตลอดถึงปูบปลายกาลเทพโดยกําหนดเทพมีสามเทพในพระพุทธศาสนาเนี่สมุติเทพเทพโดยสมมุติวิสุทธิเทพเทพโดยบริสุทธิ์เทพโดยกําหนดคือเทวดาชั้นสงสวรรค์ ชั้นชาตูมชั้นชาติึงยามาดุสิตเน ม, มานาปฏิปเรนิมิสวาสวัตตีผมไม่ไปศึกษาเนีย่ยผมไม่ศึกษานั้นเป็นพวกคมพระนกรหิตตานนั้นเป็นพวกคมพวกคมนี่พวกนี้เขาภาวนาอันนี้สงภาวนาพวกเทวดาต่ํากว่านั้นลงมาเป็นอา น, นิสงทานศีลเป็นบางข้างบางข่าวที่เป็นโลกียะที่เป็นโลกุตระก็มีปราปนกันอยู่ เช่นดั้งท่านดาวดึงอย่างนี้ก็มีพระโสดาบันประพลอยู่ไม่ใช่มีแต่พวกพุทธชนคนหนาเช่นยามาท่านอยู่สิทธิกรมันกันท่านอวิหาอัตปาสุสัสสาสุสีมีแต่พระอนาคามีจําพวกเดียวไม่มีท่านพวกอื่นไปปนด้วยทีนี้อะไรอีกที่นี่นึกไม่ออกนะไปตามทางจะนึกเห็นทีหลังจะเสียดายนะขับรถขึ้นมานะ เล็กออกกลับมาใหม่ <laughs> ออ ก, กันเ <laughs> <laughs> ทวดาที่เป็นพระอนาคามีก็จะเป็นเทวดามันกันพระผู้หญิงก็สามารถไปขั้นอนาคามีได้แต่เทวดาในขั้นพระอนาคามีไม่สามารถกลับมาในมนุษย์โตก เทวดาต่ำกว่านั้นลงมาก็สามารถลงมาเทวบุตรก็เหมือนกันเทวบุตรเป็อผู้ชายเทวดาเป็นผู้หญิงเ่ว่าเทวดาเทวดาที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเรียกว่าเทพเทวดาโดยวิสุทธิลทวเทวดาที่เป็นพระอรหันต์เทวดาที่ผู้หญิงที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มากรับอีกพระเทพสามสมุติที่เทพวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์ พระทหารประหมายถึงเพศหญิงด้วยไม่ได้หมายแต่เพศชายเรียา ว, วิสุทธิเทพได้เหมือนกัน mm hmm. เช่นนางสาวิกาที่เขาสำเร็จพระรหารเขาเรียกเป็นวิสุทธิเทพได้เหมือนกันไม่ได้ลงมาพวกนี้เข้าสู่พระนิพพานอนุ ป, ปาทิเสพระนิพพานไปเลยพวกนี้ไม่ได้มา mm hmm. เทวดาที่ต่ากว่าพระโสดาวลงมา ก็ลงมาเกิดแต่มนุษย์อีกมนุษย์อีกมนุษย์อีกบ้างสัติรชานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างพราะมีหลายบ้างพราะไม่แน่นอนถ้าโสตเทวดาก็ดีเทวบุตรก็ดีที่ถึงพระสวัดา์พันแล้วไม่ได้ลงมาไม่ไม่ไม่ได้มาเป็นไม่ไม่ได้มาเป็นสติรชานจะลงมาก็เป็นมนุษย์ชั้นสูง ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นสูงขึ้นไปตลอดถึงผิวพรรณวั น, นะบริสุทธิ์พุทธองตลอดถึงทรัพย์สินก็เป็นคนไม่ใช่คนจนภูมิของพระเสดดาวันสมกับคำว่าศีเลนะสุขติิงยันติเป็นสุขเป็นสุขเมโลกุตตะละสีเลนะโภคัมฉปทานเพราะมีสิับริสุทธิ์สีเลนะนี้พติิงยันติ ถ้อยจบไปถึงพระเนปานผูกขาดจ้องขาดถ้าโสดาบันมีสามยมพวกเอกาภิกีพวกมีพืชอันเดียวโกรังโกละจะเกิดอีกสามชาติทัตตะคาตุปลมะจะเกิดอีกยศชาติอัถมามาที่ยันติไม่ถือเอาภพที่แปดนิธรมปิสั่งเครตรนังบณีตังเอเ ต, น, ตเนะสเตรนะสวัติโหตุถ้โซดาบันไม่ ถือเอาพบที่แปดอัตถ ม, มังงาุยันติสูตรอันนี้เป็นสูตรของพระโสดาวันพระโสดาวันเอกับพิกีเป็นพระโสดาวันที่โทสะจริตต้องเจริญเมตตาแล้วเจริญจึงเจริญอนิจังทุกขังอนัตตาพระโสดาวันโกรังโกละเป็นพระโสดาวัน โสราขฆจริตพระโวสะดาวันสตักขตุปรมาเป็นพระสสดาวันที่เป็นโมหจริตต้องเจริญอาณาปนสติแล้วจึงเจริญวิปัสนาภายหลังพระสัทาคารมีพระอนาคามีพระหรหังก็เหมือนกันมีอะไรอันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสัทขาธิกะปัญญาที่กะวิญญาธิกะสัทขาธิกะ พระพุทธเจ้าปัญญาทิกะเป็นโทสายจริตช่างบารมีน้อย